248ผู้ไม่เห็นอัตตาคือตนเองย่อมไม่เห็นอัตตาอื่นความไม่เที่ยงก็ดีความทุกข์ก็ดีความไม่มีตัวตนเพราะหมดสิน้นความเป็นตัวตนไปจากตนสิ้นแล้วก็ดีล้วนเป็นการเรียนรู้ความเป็นอัตตาหรืออัตมัน และกำจัดอัตตาอัตมันออกไปจากตนได้หมดเกลี้ยงจริงทั้งนั้นนี่คือการศึกษาของพุทธและสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจริงของอัตตาถึงปรามาจันมันแท้ๆอัตตาคือการยึดมั่นมาเป็นตัวตนของคนแต่ละคนทั้งสิ้น และผู้ไม่รู้แบบพุทธวิชาหรือมิจฉาทิฐิก็ทําอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความไม่รู้อวิชชาจริงๆด้วยความไม่รู้นั้นไม่รู้อะไรจุดนี้เองสําคัญยิ่งก็คือไม่รู้ตนเองซึ่งภาษาบาลีว่าอัตตาหรืออาตมา น, นี้แหละ จุดแท้เนื้อแท้คือไม่รู้ความเป็นอาการของอัตตาจริงๆนี้คือความไม่เห็นอัตตาหรือความไม่เห็นตนเองเมื่อตนเองก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงก็ย่อมไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาอื่นๆใดๆได้ไดแน่นอน ศาสนาพุทธต้องเรียนรู้อาการเพศลิงคะนิมิตอุเทศโดยเฉพาะภาวะที่เป็นอาการของรูปของนามหรือเรียกว่าการเรียนรู้นามรูปพระไตรปิฎกเล่ม10บข้อ 60, ซึ่งเป็นนามรูปของอัตตาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม 16.7 ข้อ 7, ว่า นามคือนามห้าได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการและรูป28ซึ่งได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับมหาภูตรูปสี่นั้นได้แก่อุปาทายรูป24อีกด้วย S 1> <S 1> การเรียนรู้ปฏิบัติก็ต้องอ่านละเอียดลึกซึ้งสูงขึ้นไปอีกคืออ่านทั้งอาการของรูปกายนามกายหรืออาการของกายของจิตในตนเองสกายะจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาการของกายในกายเวทนาในาเวทนา จิตในจิต ร, รมในธรรมได้ถูกต้องจริงเพราะสัมผัสด้วยการกระทบปฏิฆะสัมผัสโสข้านามกายทีเดียวจึงจะมียานซึ่งเป็นวิชาของพุทธและต้องสัมผัสด้วยกายจากอาการของนามกายจึงจะสามารถสัมผัสถึงชื่ออธิวัจนะสัมผัสโสในรูปกายนั้นได้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จักนามรูปนั้ น, น, น